แต่ความหมายของมันทำให้คณะนายจ้างพากันนิ่งเงียบงานไปครู่ใหญ่อย่าพูดถึงสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนไม่สบายใจนี่เลยคุยกันสนุกสนุกต่อไปดีกว่าชายยันตัดบทมาอย่างอึดอัดแต่ว่าการเอารังพึ่งนี่นะมันเสี่ยงอันตรายมากเหมือนการง้นสิพึ่งที่เขาเลี้ยงทดลองในทางเกษตรกรรมจะเป็นอย่างไรผมไม่ทราบ แต่พึ่งหลวงที่ทํารังอยู่โดยธรรมชาติในป่ามีอันตรายมากแน่ๆธรรมชาติของมันมักทํารังอยู่ในที่สูงซึ่งเสี่ยงต่อการตกลงมาคอหักตายอยู่แล้วนั่นประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งมันเป็นสัตว์ดุร้ายและหวงรังอย่างที่สุดคิดดูเถอะครับมนุษย์ปีนขึ้นไปหมายจะเอารังเก็บน้ําหวานของมันอันตรายควรจะมีอยู่สักขนาดไหนถ้าไม่แน่จริงๆแล้วสุมสี่สุมห้าเข้าไปก็เหมือนเหมือนเข้าไปรีดนมเสือแม่ลูกอ่อนนั่นแหละ พวกเอารังพึ่งถึงแก่ชีวิตกันบ่อยๆและดูเหมือนจะบ่อยเสียยิ่งกว่าถูกเสือกัดตายอีกขนาดดำน้ำหนีมันยังคอยบินคุมเชิงเฝ้าอยู่พอโผล่พ้นผิวน้ำเมื่อไหร่ก็ถูกรุมต่อยอีกต่อยจนสลบหรือไม่ ก, ก็ตายค่ะที่นั่นแหละในกรณีที่พลาดเข้าที่ว่าพลาดนะพลาดยังไงผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับว่าพลาดยังไงส่วนมากถูกต่อยตกลงมาจากต้นไม้ตาย และมักจะเกิดกับผู้ที่เชื่อมั่นในคาถาอาคมของตนไปเอาลังพึ่งในเวลากลางวันผมรู้จักพรานพึ่งมือเก่าอยู่คนหนึ่งชื่อพรานยิ้มอยู่ที่หนองน้ําแห้งนั่นแหละว่าอันที่จริงก็เป็นพรานฝีมือดีคนหนึ่งเรื่องเอาลังพึ่งใครๆก็ต้องยกให้แกแกเห็นพึ่งทํำลังที่ไหนถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่จะปีนขึ้นไปถึงแล้วแกจะต้องปีนขึ้นไปเก็บจนหมดสิ้นนับไม่ท้วนแล้วว่าแกร่ารังพึ่งมาสักกี่ร้อยกี่พันรัง ครั้งสุดท้ายผมเห็นกับตารพินจุดบุหรี่สูบอีกครั้งแล้วรินน้ำชาใบชุมเห็ดเผาใส่ถ้วยพลาสติกส่งไปให้เชษฐาชัยยันและดาลินคนละถ้วยพึ่งหลวงรางใหญ่ทำรางอยู่บนกิ่งยางสูงหลังขาวใกล้ๆหนองน้ำแหง้งแกมาบอกผมแล้วตั้งแต่ตอนเช้าว่าจะไปเอาในเวลาบ่ายผมก็ทวงแกแล้วเหมือนกันให้แกไปเอาตอนกนลางคืนจะเหมาะกว่าแกก็บอกว่า แกเอาพึ่งในเวลากลางวันมาตั้งแต่หนุ่มจนแกซ้ํายังชวนผมไปดูด้วยบังเอิญผมไม่ว่างพอบ่ายสี่โมงบุญคําวิ่งหน้าตั้งมาตามผมที่บ้านพักบอกว่าพรานยิ้มเขียวไปหมดทั้งตัวแล้วผมรีบตรงไปที่เกิดเหตุโดยเร็วพบพรานยิ้มนอนอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆกับต้นยางที่เพิ่งทาลังอยู่นั่นเองตัวแก่ไม่ได้เขียวหรอกครับแต่เป็นสีม่วงบวมไปหมดทั้งตัว หน้าตาแทบจะจําไม่ได้นอนหายใจรวยๆไม่ได้สติอยู่สอบถามจากผู้ที่ไปด้วยกับแก่ก็ได้ความว่าพรานยิม้มปีนขึ้นไปคนเดียวตามพิติการของแก่คนอื่นๆคอยอยู่ข้างล่างขณะที่แกแหวกรางร่ายคถาอยู่นั่นเองเจ้าพึ่งตัวหนึ่งในจํานวนที่บินหึงตอมอยู่รอบตัวของแก่เกิดบ้าระหามขึ้นอย่างไรก็ไม่ทราบตรงเขาต่อยแก่เข้าอย่างจังแก่ตกใจร้องออกมา และพิบตานั้นเองตัวอื่นๆก็รุมกันฮือเขาต่ายแกเป็นพระวรานโดยพร้อมเ พ, พรียงกันหมดแกรี่ผราปีนหนีลงมาโดยเร็วไอ้พวกที่คอยกันอยู่ข้างล่างก็เปิดหนีกนารจ้าระวันอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งกันป่าราบหน้าประหลาดที่พึ่งหลังนั้นไม่ได้ติดตามไปทําร้ายใครเลยนอกจากกลุ่มเล่นงานพรานยิ้มคนเดียวเท่านั้นแกตายโดนลานลงมาจนถึงพื้นแล้ววิ่งหนีลงไปดาอยู่ในหนองน้ําใกล้ๆพวกมันก็ไปบินวนอยู่เหนือน้านําคอยจังหวะ พอแกโปร่มันก็รุมต่อยอีกหลายครั้งหลายคราจนแกต้องทุรนทุรายหนีขึ้นบนฝั่งอีกครั้งและในที่สุดแกก็มาล้มหมดสติอยู่ในพุ่มไม้พิษของเหล็กในนับไม่ถ้วนทำให้กลายเป็นสีม่วงไปทั้งตัวจอมพรานโครงศีรษะช้าๆอย่างเศร้าใจเป่าควันบุรีลงต่ำในขณะที่นายจ้างของเขาทั้งสามเต็มไปด้วยความหวาดเสียวสยดสยองในเหตุการณ์ที่ได้รับฟังตายไหม ชายยันกับดาเินร้องถามออกมาเกือบเป็นเสียงเดียวกันผมเอาแกกลับมาที่บ้านพักแกไม่ได้สติหรือรู้สึกตัวใดๆเสียแล้วเราช่วยกันขุดหลุมก่อไฟรางและเอาแกขึ้นย่างเพื่อถอนพิษอันเป็นวิธีเดียวที่เราจะช่วยแกได้แต่อาการของแกมันเหลือกําลังเสียแล้วแกขาดใจตายในกลางดึกของคืนนั้นดาเินห่อหรายลงครางอะไรออกมาคําหนึ่งในลาคอ ทำไมคุณไม่ส่งตัวแก่เข้าอำเภอทำไมไม่ส่งโรงพยาบาลหรืออย่างน้อยที่สุด ก, ก็สุขศราร์ในทันทีนั้นวิชาแพทย์ทันสมัยอาจช่วยชีวิตแก่ได้จอมพรานหัเราะหึต่อให้หมอเทวดาก็ช่วยแก้พิษเหล็กนายนับเป็นร้อยๆอันที่ฝังอยู่ในผิวและเป็นพิษขึ้นในตัวผานยึดไม่ได้ไม่มียาฉีดยากินหรือเซรุ่มชนิดใดจะถอนพิษอันมากมายเหล่านั้นได้การเอาตัวขึ้นย่างไฟเป็นวิธีเดียวเท่านั้น ที่จะช่วยคนที่ถูกพึ่งต่อยมากๆให้ถอนพิษลงได้บ้างมันอาจดูขัดกับวิชาแพทย์สมัยใหม่อยู่บ้างแต่ก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและเคยได้ผลมานักต่อนักแล้วแต่ถ้ามันมากเกินไปก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันถ้าจะแก้ไขคนถูกพึ่งต่อยกันแล้วก็ผมกล้าท้าพนันได้ว่าระหว่างทฤษฎีของแพทย์สมัยใหม่กับวิชาของพวกบ้านป่าวิชาแพทย์ปัจจุบันต้องสู้ไม่ได้เด็ดขาดไม่เชื่อลองดูก็ได้ ผมช่วยคนถูกพึ่งต่อยมามากแล้วช่วยไม่ได้คนเดียวคือพรานยิ้มชะตาแกถึงคาดเอาจริงๆแพทสาวเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งพร้อมกับตะแคงใบหน้าอย่างยังไม่อยากจะเชื่อสนิทนักชายยานเสริมมาว่าเรื่องนี้เชื่อเขาได้แน่น้อยฉันเคยได้ยินอยู่เหมือนกันพวกชาวป่าก็มีวิธีช่วยคนถูกพึ่งต่อยโดยการเอาคนเจ็บขึ้นย่างไฟเพื่อให้ความร้อนช่วยถอนพิษร่อนหัวเราะช่วยถอนพิษ หรือช่วยคนเจ็บสุกเป็นหมูย่างกันแน่เพื่อนชายขมวดคิ้วจุ๊บปากกลั้นไอ้ราลวละมันเข้าใจถลายเลือกเลยเถิดคำว่าย่างในที่นี้หมายถึงอาศัยอังหรือผิงไฟโดยไม่ให้เปลวไฟถึงกับทำอันตรายอะไรคนเจ็บอย่างที่เราเข้าใจสักหน่อยไม่ใช่ย่างกันแบบหมูหันหรือเป็ดย่างอ้าวถ้างั้นก็เรียกเสียถูกต้องหน่อยสิจะเรียกว่าผิงก็ไม่เรียกนี่เรียกเสียน่ากลัวทีเดียวย่าง ฉันก็นึกว่าย่างกันแบบหมูย่างพอถอนพิษพึ่งเสร็จก็สุกขอมกินได้พอดีชายันบน่นพรมอย่างพาซื้อแต่ระพินตามทันว่าเป็นการเจตนายัว่วเมื่อเขาไม่กล่าวเช่นไรหล่อนก็เปลี่ยนสายตามมาจับประสานไหนว่าการร่ารังพึ่งจะต้องประกอบด้วยเวทมนต์คาถาขลังยังไงละ่ะแล้วทำไมถึงเกิดมีการถูกพึ่งต่อยเอาถึงตายได้พรานใหญ่รักยกไ์ล อย่าว่าแต่คาถาคมอันเป็นมนต์มืดที่มองไม่เห็นตัวตนและพิสูจน์ไม่ได้เลยขนาดลูกปืนใหม่ๆบางนัดมันอย่างด้านล่มชูชีพที่พลล่มกระโดดกันบางอันก็ไม่ยอมกลางเสียเฉยทั้งๆที่โดยทฤษฎีแล้วมันจะต้องกลางทุกสิ่งทุกอย่างในโรคนี้มันเอาแน่นอนเสมอไปไม่ได้หรอกครับพรานยิ้มอาจล่าพึ่งมาแล้ว99รังพอถึงรังที่ร้อยแกก็มีโอกาสให้พึ่งล่าได้เหมือนกัน อาจเป็นเพราะสมาธิของแกไม่มั่นคงเท่าที่ควรอาจเป็นเพราะผิดเคล็ดผิดพิธีการหรืออาจเป็นเพราะคราวจะถึงคาดมันล้วนเป็นไปได้ทั้งนั้นสรุปก็คือแกไม่สามารถที่จะสะกดพึ่งรังนั้นได้เหมือนเช่นที่เคยทำสำเร็จมาแล้วทุกครั้งก็แบบหมอ ง, งูตายพระงูนั่นแหละเชิถาเอ่ยมาเบาๆถึงว่าหนานไัยก็ตายเพราะ ก, กะทิงทางทางที่เป็นพรานชั้นเยี่ยม ชายยันผสมโรงมาอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นใครจะรู้ได้ระพินไพยวันอาจตายเพราะอีเก้งขิดหรือกระตายกัดก็ได้พรานใหญ่ต่อท้ายหน้าตาเฉยแล้วทุกคนก็หัวเราะยกเว้นดารินคนเดียวที่ตะวัดหางตาโฉบผ่านหน้าเขาอย่างขวางขวางก็ไม่แน่เหมือนกันนะสังขารคนเรามันไม่เที่ยงจะยังไรก็ตามอย่าให้มันมาเกิดขึ้นในระหว่างสัญญาจ้างก็แล้วกัน หลังจากนั้นแล้วก็ไม่ห้ามชายันส ก, กิดแขนรพินลืมถามไปว่าไอ้พึ่งหลังที่ต่อยพรานยิ้มตายก็ดำลงตนเป็นพึ่งผู้พิชิตทำรังอยู่ที่เดิมโดยไม่มีใครบังอาจไปแตะต้องมันได้อีกงั้นสิมันอยู่ได้เพียงอีกวันเดียวเท่านั้นครับพอคืนถัดมาบุญคำก็จัดการสำเร็จโทษมาลงมาเสียตามระเบียบโดยเอาไฟขึ้นไปรนในเวลากลางคืนไม่ได้ทากลางวันเหมือนพรานยิ้ม การล่ารังพึ่งทำในเวลากลางคืนปลอดภัยที่สุดเพราะพึ่งเป็นสัตว์ตาสว่างเฉพาะกลางวันเท่านั้นกลางคืนมันมองอะไรไม่เห็นแสงไฟฉายศาสวูบวาบเข้ามากระทบก้อนหินใหญ่หน้าบริเวณปากถา้ำพร้อมกับเสียงฝีเท้าย่ำเข้ามาใกล้ครูใหญ่ร่างของแง่ทรายกับเกิดก็ปรากฏขึ้นบนไหล่ของหนุ่มกระเหี่ยงพนเจนจรคือกระบอกไผ่อันใหญ่บรรจุเต็มเปี่ยมไปด้วยน้าพึ่ง ส่วนเกิดแบกกล้วยป่าที่สุกเหลืองอารามมีรอยนกจิกกินบ้างเล็กน้อยมาด้วยทั้งเครือคณะนายจ้างเต็มไปด้วยความยินดีแต่แล้วทุกคนก็อดประหลาดใจและคนขบขันเสียไม่ได้เมื่อมองเห็นเกิดคางอูมโยไปข้างหนึ่งสะบดพรมไปหมดภายหลังจากการซักถามก็ได้ความว่าแง่ทรายเป็นคนปีนขึ้นไปเอาไฟรนและจัดการเอาลังลงมาให้อย่างราบรื่นส่วนเกิดผู้คอยอยู่ข้าง่างแท้ ก็กลับถูกลูกหลงของเจ้าพึ่งตัวหนึ่งต่อยเข้าที่ปลายคางโดยแง่ทรายไม่ถูกต่อยเลยสักตัวเดียวทั้งๆ ท, ที่น่าจะโดนบ้างเพราะเป็นคนปีนขึ้นไปใกล้รังมันมากที่สุดดาดินเป็นคนช่วยเอาเข็มซ่อนปลายบ่งเหล็กในของพึ่งที่ฝังอยู่ใต้ผิวของเกิดออกส่วนชายยันส่งขี้พึ่งบามาให้เอา้าทาเสียเดี๋ยวก็หายเองโดนเข้าตัวเดียวเท่านั้นไม่เป็นไรนักหรอกเกิดยิ้มเหยเกย หันไปบ่นอุบเป็นภาษากะเหรี่ยงต่อว่าต่อขานแง่ซายซึ่งชาวป่าร่างยักษ์ไม่ตอบเช่นไรนอกจากยิ้มยิงฟันแล้วผ่านพื้นเมืองก็หันไปทางหัวหน้าของเขาพบคูรำสองตัวบนไหลผ่ผาผมไม่กล้ายิงกลัวทางนี้จะเข้าใจผิดดีแล้วพรานใหญ่พยักหน้าชัยยันงงถามโดยเร็วเกิดว่าพบอะไรนะคูรำครับ หมายถึงเรียงผาน่ะเหรอก็วิเศษสิเรากําลังต้องการเนื้อสดทําไมไม่ยิงล่ะไม่ต้องห่วงหรอกครับขอให้รู้แน่ว่ามันพอจะมีอยู่บ้างเท่านั้นพรุ่งนี้ก็หาได้เองเป็นอันว่าก่อนจะลงจากยอดขาวรูปนี้สําหรับพรุ่งนี้เราพอมีเนื้อสดกินกันแน่ดีแล้วที่เกิดกับแงซายไม่ยิงเมื่อตะกี้พวกเราจะตกใจกันเสียเปล่าๆเพราะไม่ได้สั่งไว้ก่อนว่าให้ยิงอะไรนอกจากครูรํา พบงรอยสัตว์อะไรอีกบ้างไหมเชิดาถามบ้างเกิดสั่นหัวไม่พบเลยครับเขาลูกนี้สูงเกินไปจอมพรานบอกแล้วก็มีก้อนหินมากกว่าต้นไม้พวกสัตว์ใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกครับนอกจากช้างมันจะอาศัยเป็นทางผ่านในเวลาฉุกเฉินเท่านั้นจะมีอีกทีหนึ่งก็พวกงูเหลือมใหญ่ๆที่อาศัยหบอยู่ตามซอกถ้าพวกมันลงไปหากินตามดงทึบข้างล่างแต่เวลาหลบซ่อนตัว หรืออย่างที่เรียกกันว่าจำศิลมักจะขึ้นมาหลบอยู่ในแหล่งร่มเย็นบนเขาสูงที่เต็มไปด้วยโพรงถ้าหวังว่าถ้าที่เราอาศัยนอนคืนนี้คงไม่ใช่ถ้ำงูเหลือมนะเชษฐาพูดเบาๆมองเข้าไปยังสวนลึกลับสลับซับซ้อนมืดมิดไปด้วยชะ ง, งอนแง่หินหน้าระแวงเสียงน้ําที่ซึมจากพดานถ้าเบื้องบนหยดกระทบพื้นหินอยู่เป็นจังหวะราวกับเสียงดนตรีเงาของค้างคาวโฉบบินชวัดชเวียนอยู่วูบว่า นานๆนานครั้งกลิ่นอับสังษาจะโฉยออกมาจากก้นถ้ำพรานใหญ่สันศีษะพวกที่ผ่านขึ้นมาบนเขาลูกนี้อาศัยนอนที่ถ้ำนี้เสมอครับผมเองก็มาอาศัยพักนอนอยู่บ่อยไม่เคยปรากฏมีอันตรายอะไรเลยนอกจากความหนาวเย็นเท่านั้นบนนี้ปลอดภัยกว่าป่าร่างมากทั้งหมดกินน้ําผึ้งกับกล้วยป่าคุยกันอีกครู่เดียวก็ล้มตัวลงนอนข้างกองไฟที่ก่อไว้รายรอบเกิดรับเวรยามแรกตามเคย เดือนเต็มดวงสาดแสงรังๆางผ่านม่านหมอกทะรุซ่อหินผาลงมาอาบที่บริเวณปากถ้ำทำให้สังเกตอะไรได้สรัวสรวอากาศทวีความเย็นลงทุกขณะนานๆจะแว่วเสียงหมาป่าหาวหอนลอยมาตามลมจากจังงอนเขาที่ต่ำลงไปทำให้ยิ่งเยียบเย็นลึกลงไปถึงขั่วหัวใจคราวละคนไปกับเสียงลมที่พัดผ่านเรือมแง่หินคลางอยู่วอหวิวและปีกของค้างคาวที่กระพืออยู่พึบพับ เชื่อถากับชายยานหลับลงได้อย่างสะดวกใจที่สุดเมื่อมีพรานใหญ่รัพินเป็นหลักประกันร่วมอยู่ในคณะเช่นนี้ประมาณเที่ยงคืนรัพินตื่นขึ้นเพื่อรับเวรต่อจากแงซายตามกติกาที่เคยกำหนดนัดแนะไว้ก็ต้องพบกับความงงงานประหลาดใจเพราะแทนที่จะเห็นหนุ่มกเกียงร่างยักษ์นั่งยามตำหน้าที่กับกลายเป็นนายจ้างสาวนั่งอร่อยเฟินพาดตัก มือข้างหนึ่งเท้าคางมือมองดูเปลวไฟในกองอยู่อย่างทอดอารมณ์แสงไฟส่องจับหน้าสีแดงเรื่อหล่อนไม่รู้สึกในการตื่นขึ้ น, นมาของเขาของนั่งมือดูกองไฟเพลินอยู่เช่นนั้นจอมพานขมวดคิ้วกวาดสายตาไปรอบๆก็เห็นแง่สายนอนตัวคุ้ยอยู่ริมผนังหินตอนหนึ่งเขาชันกายขึ้นอย่างเงียบกริบในลักษณะครึ่งนั่งครึ่งนอนสำรวจมองหล่อนทางเบื้องหลังอีกอิดใจใหญ่ แล้วเอื้อมมือไปหยิบกิ่งไม้เล็กยาวคืบเศษโยนไปตกลงตรงหน้าร่างที่กำลังนั่งจรอยอยู่นั้นทะรึ่งพวดขึ้นยืนในพริบตานั้นพร้อมกับไรเฟิลในมือหันขวับมาอย่างรวดเร็วมา่านตาขยายกว้างด้วยอาการตหนกและเตรียมพร้อมปากกระบอกปืนจ้องตรงกับสวงอกของเขาพอดีตาต่อตาประสานกันนิ่งหล่อนถอนใจเฮือกออกมาค่อยๆลดปืนลงในขณะที่เขาดึงกายขึ้นนั่งปิดปากขาว ประสาทวาดีมากแต่ไม่สู้จะมั่นคงนักระพินเอ่ยครืมครืมควรจะขอบคุณสวรรค์ที่ชั้นยั้งมือไว้เสียทันแต่ขอให้รู้ว่าเกือบไปแล้วข่าวหลังอย่าทำให้ฉันตกใจอย่างนี้อีกอุปัทวะเหตุนะั้นมันจะเกิดขึ้นจอมพรานลุกขึ้นเดินเข้ามาเสียงเบาแต่ห้วนมันเรื่องอะไรกันนี่ที่นายจ้างต้องลุกขึ้นมานั่งยามแทนให้แก่คนใช้ใครบอกให้คุณหญิงตื่นขึ้นมาอยู่ยามแล้วใครบอกให้งแงซายนอน ว่าแล้วเขาก็ขยับจะเดินไปที่ร่างของแง่ทรายซึ่งนอนกดตัวอยู่แต่ดารินเหนียวไหลไว้อย่าไปปลุกแง่ทรายเลยตอนนี้ก็หมดเวรยามของเขาแล้วเป็นยามของคุณเพราะฉะนั้นคุณเข้ายามต่อไปเถอะผมไม่เข้าใจเลยหมายความว่ายัางไงกันนี่ฉันนอนไม่หลับหล่อนบอกเรียบๆก็เลยตื่นขึ้นมานั่งแล้วก็เลยอนุญาตให้แง่ทรายนอนเอแหละอย่าไปว่าอะไรเขาเลยเขาได้รับคาสั่งจากฉัน ไอเสือนี่ร้ายจริงแล้วผินหันไปแยกเคี่ยวทางแง่ายแต่ดาดินขัดโดยเร็วน้ำเสียงอ่อนฉันบอกเล้ว่าอย่าไปว่าอะไรเขามันเป็นคําสั่งของฉันให้เขานอนไม่เข้าใจหรือให้เขานอนเอาแรงไว้เถอะฉันไม่ง่วงฉันก็เฝ้าแทนให้เมื่อฉันตื่นอยู่อย่างนี้เรื่องอะไรที่จะต้องให้แง่ายทรมานอยู่ด้วยมันเป็นกําลังงานสิเปล่าใช่เหตุพรานใหญ่ถอนใจเบาๆแล้วโครงศรีรษะจ้องตาหลอน มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณหญิงเลยนี่ผมไม่รู้ตัวหรือเฉลียวใจสักนิดว่าในขณะที่ผู้ชายอกสามซอกถึงห้าคนนอนหลับอยู่นี่นะ่ะผู้หญิงคนเดียวในคณะทําหน้าที่เป็นยามเฝ้าคุณหญิงควรนอนพักให้มากที่สุดแล้วก็ไม่ได้ถูกจัดหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเวียามเลยสักนิดคุณคิดว่าฉันจะรับผิดชอบในความปลอดภัยของพวกคุณทั้งห้าคนในขณะที่หลับอยู่ไม่ได้งั้นก็มังนั่นไม่ใช่ประเด็นที่เราพูดถึงผมหมายถึงว่า มันเป็นเรื่องอะไรที่คุณหญิงอุสาลุกขึ้นมาผลัดแทนแง่ทายเช่นนี้จะให้บอกรีโหวนว่ามันเป็นความสมัครใจความต้องการเฉพาะคราวของฉันอย่าทําหัวฟาดหัวเหวี่ยงเตะท่าเหมือนก่อนอีกเลยนะ่าเสียแรงเป็นคนดีดีตอนที่หลงป่าอยู่ด้วยกันพอมาเจอการพร้อมหน้ารวมหมู่คณะอย่างนี้จะประกาศตัวเป็นอริ ก, กับฉันอีกงั้นหรือระพผินถอนใจอีกครั้ง งัดบุหรีไปตอกแห้งขึ้นมามวนแล้วชำเลืองไปทางแง่ทรายคนใช้พิเศษของคุณหญิงนั่นว่าง่ายดีแท้นายสาวบอกให้นอนก็ฉวยโอกาสนอนเลยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแง่ทรายน่ารักออกสั่งคำไหนเป็นคำนั้นไม่เคยขัดใจในจ้างเลยเหมือนเด็กเล็กๆที่ว่าง่ายไม่เหมือนคุณ น, นี่ดีแต่ขู่ในจ้างเอาละ่ะช่วยเป็นยามแทนให้แง่ทรายได้แล้วระพินะ่ะ จะช่วยอยู่แทนให้มั่งได้ไหมจะได้นอนต่อหล่อนพยักหน้ายิ้มให้ตอบเสียงเย็นๆว่าเชิญเลยเจ้าค่ะฉันจะอยู่ยามแทนให้คุณอีกก็ยังได้นอนให้สบายเถอะแล้วก็เลิกเอาเรื่องกับแง่ า, ายซิททีฉันไม่พอใจให้คุณไปว่าอะไรเขาขอบคุณมากระผินพูดสั้นๆเอาบุหรี่ที่มวนแล้วใส่กระเป๋าเสื้อไว้เดินไปนอนที่เก่าตามเดิม ดาลินสุดกายลงหยิบฟืนสุมเพิ่มเติมลงไปในกองไฟครูหนึ่งก็คว้าปืนน้ำไฟฉายเดินช้าๆออกไปยังรานหินโล่งหน้าปากถ้ำคนที่นอนทำเป็นหลับอยู่ก็เลยจำเป็นต้องผุดลุกขึ้นมาอีกครั้งจะรดฝีเท้าสะกดหลังออกมาหญิงสาวยืนกอดอกพิงหินก้อนหนึ่งแงนหน้ามองดูดวงจันทร์ทอแสงอยู่ในม่านหมอกลมดึกอันเย็นเฉียบเป่าเส้นผมปลิวสวยัยหล่อนรู้สึกตัวว่ามีใครเข้ามายืนอยู่เบื้องหลังใกล้ๆ เพราะได้ยินเสียงไรเตอร์พร้อมกับเปลวไฟเล็กๆที่สว่างวูบขึ้นแต่ไม่หันกลับมาและไม่เอ่ยพูดคำใดขึ้นทั้งสิน้นจนกระทั่งอีกฝ่ายยอมแพ้ดึกมากแล้วทำไมถึงไม่นอนเสียงถามมาจากเบื้องหลังอ่อนโยนนุ่มนวลขึ้นก็ใช้ฉันอยู่ยามแทนให้ไม่ใช่หรือจริงของคุณหญิงแล้พินไม่ว่าง่ายเหมือนอย่างแง่ทราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่ไม่ควรจะว่าง่ายกลับเข้าไปนอนเสียเถอะครับฉันอยากจะยืนอยู่ตรงนี้สักครู่คุณนั่นแหละควรจะกลับเข้าไปเสียขอว่ายากอีกสักครั้งที่ต้องยืนอยู่ตรงนี้จนกว่าคุณหญิงจะกลับเข้าไปหล่อนนิ่งควันบุรี่ป่าอันชุนขึกรอยมากระทบหล่อนแต่แล้วมันก็ถูกกระแสลมเย็นพัดกระจายห่างออกไปอย่างรวดเร็ว ที่นี่เวลานี้มีอะไรน่าดูนักหรือนอกจากความหนาวความเปรี่ยววังเวงอันน่ากลัวแล้วก็พระจันทร์เศร้าสรัวในม่านหมอกดวงนั้นเสียงแผ่วเบาถามมาอีกหลอนลี่ตาลงสูดอากาศอันเยือกเย็นชุ่มฉ่ำด้วยละอองหมอกและน้ำค้างลึ ก, กลงไปในซวงดอกไม้ป่าบางชนิดโชยกลุ่นมาตามกระแสลมท้องฟ้าเป็นสีขาวมัวเดือนเต็มดวงรออยู่ตรงศีรษะ แต่ซี่สรวพระ อ, องค์หม่อกเป็นม่านอำพรางคืนนี้มันดูจะผิดไปกว่าทุกคืนในไพรยกว้างฉันรักธรรมชาติของที่นี่ในคืนนี้เหลือเกินไม่คิดมาก่อนว่าโรคจะมีความสงบและงดงามเหมือนเช่นขณะ น, นี้นอกจากในความฝันแต่นี่มันเป็นความจริงที่ได้มาพบก็อดที่จะตื่นใจสีไม่ได้คุณคงไม่เข้าใจหรอกและขอร้องอีกครั้งกลับเข้าไปนอนเสียไปอย่าห่วงกังวลอะไรกับฉันเลย ที่นี่คงไม่มีอันตรายไรหรอกหล่อนก้าวเช่มช้าไปเบื้องหน้าตามพื้นหินอันเทราสน้อยๆเป็นประกายมันระยับอยู่ในแสงเดือนนั้นแล้วมาหยุดยืนอยู่เหนือแอ่งเล็กๆที่ขังน้ำใสสะอาดไว้เต็มเปี่ยมเหมือนสระทอดสายตามองดูพระจันทร์ดวงที่สองในเงาสะท้อนของผิวน้ำปานแผ่นกระจกนั้นตามปกติผมไม่ชอบงานองค์คารกลอก เสียงห้าต่ำคงติดตามมาดังอยู่เบื้องหลังของหล่อนเช่นเดิมไออุ่นจากซวงโอกรอยจางๆมาสัมผัสเบื้องหลังของหล่อนแต่นี่มันจําเป็นหรือเกินคุณหญิงไม่ควรออกมาพ้นเขตพาคเขตกองไฟที่ก่อไว้ถึงแม้ที่นี่ผมจะรับรองไว้เองว่าไม่มีอันตรายแต่ก็อย่าเพิ่งแน่ใจนะักเพราะฉะนั้นอยากจะออกมาเดินเล่นก็ได้แต่ไม่ควรไล่ผมฉันไม่อยากให้คุณต้องลำบากเพราะฉัน ไม่อยากจะให้ตัวเองเป็นที่รำคาญมันสายเสียแล้วเพราะถึงอย่างไรก็ลำบากมาแล้วแต่ต้นและคงจะลำบากเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าจะหมดสิ้นพันธะดาลินทอดสายตาฝ่าออกไปเบื้องหน้าที่เห็นระเกะรกะกะอยู่ด้วยชะ ง, งอนผาศิรารายงดงามอยู่ในราตรีสีเงินที่บึงใหญ่บนยอดเขาที่เราผ่านกันมาเมื่อเย็นนี้คงจะสวยมากนะเวลาเช่นนี้ หล่อนเอ่ยแผ่วเบาเหมือนจะรำพึงกับตนเองพรานใหญ่ย่อนกายครึ่งนั่งครึ่งยืนบนเหลี่ยมหินตอนหนึ่งดูดบุหรี่แดงวา่าตายขาวย้อนกลับขึ้นไปอีกร่วมกิโลหวังว่าคุณหญิงคงไม่คิดจะเดินไปชมธรรมชาติที่นั่นในเวลานี้สมมุติว่าฉันจะเดินไปจริงก็อย่า ก, กลัวว่าฉันจะชวนคุณไปด้วยหรอกแงหน้าดูพระจรันทร์บนท้องฟ้าอีกครั้งในตาเครื่มฝัน แสงสีน้ําเงินจางๆสาดจับกับขนตายาวเป็นเงาเรืองรองอีกฝ่ายจับจ้องมองดูความงามอันน่าพิศวงนั้นแล้วถอนใจเมินไปเสียอย่างอึดอัดพวักพวงขณะนั้นเสียงแหลมเยือกเย็นช น, นิดหนึ่งดังแว่วประสานการราวกับเสียงดนตีรอยลงมาจากเบื้องสูงเงาดําร่างๆกลุ่มหนึ่งรอยผ่านม่านหมอกตัดกลางดวงจันทร์ไปเป็นทิวเสียงอันกังวานหวานไพเราะเหล่านั้น ดังสะท้อนไปทุกแก่งโขดหินและแผ่นน้ำจากฟ้าลงมาหาดินรอยตามลมแทรกพลิวไปในอองหมอกและความเย็นช่ำของน้ำค้างหญิงสาวตะแคงหูฟังอย่างชงโงนชงายสายตาค้นหาไปยังเงารางๆที่ผ่านดวงจันทร์ไปอย่างเช่มช้า น, นั้นด้วยความสนเท่นั่นเสียงอะไรหลอนกระซิปเหมือนละเมอก็รู้สึกว่าร่างหนึ่งเข้ามายืนอยู่ใกล้ชิดเงยหน้าขึ้นจับจ้องที่ดวงจันทร์กลางท้องฟ้าเช่นเดียวกับร่อน การะเวกเสียงกระซิบตอบกําลังเล่นแสงเดือนอยู่นูน่นบางทีจะเป็นเพราะรู้ว่าเทพธิดาแห่งราตียืนอยู่ที่นี่จึงพากันออกมาไหว้ฟ้าส่งเสียงขับกล่อมประกายตาคู่นั้นพราวเพลิดเจิดจรัดรับแสงเดือนเลือดอุ่นแผ่ซ่านไปตลอดกายอาผิวแก้มสุกปรังแต่มันคลุมเครือเร้นรับอยู่ในความสรัวรางแห่งราตีเว้นเสียจากเพชรรุ่งในดวงตาเท่านั้น ที่ไม่อาจหลบซ่อนได้ลมดึกบนยอดเขา ก, กรูเกียวมาเป็นะรกมันไม่มีความหนาวสถานเยือกเย็นใดๆอีกแล้วสำหรับสองหัวใจในยามนี้เพียงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างไม่อาจอย่างอนณาจักใจมันกว้างใหญ่ไพศาลและลี้รับเกินไปนาฬิกาใจมันจะผ่านไปสักเท่าใดไม่ทราบได้ดารินวราดิ์มารู้สึกตัวอีกครั้ง พบว่าศรีรษะของหล่อนเพียงอยู่กับแผ่นอกกว้างอบอุ่นของพรานนำทางผู้ยืนตะงาเงียบงันและสนิทนิ่งประดุษเสาหินอันมั่นคงใบหน้าที่ก้มน้อยๆลงจ้องหล่อนนั้นห่างเพียงชั่วคืบจนสัมผัสไออุ่นของลมหายใจหล่อนเบนกายพระออกห่างจากล้างที่เผลอไปพิงนั้นด้วยหัวใจอุลละมานตัดพ้อต่อว่าใจตนเองอย่างกระดาก ประหมายืนตัวสั่นอยู่อึดใจก็ฝืนบังคับเสียงให้เป็นปกติบอกว่าฉันจะไปนอนละพร้อมกับพูดหญิงสาวคว้าปืนกับไฟฉายที่วางอยู่บนก้อนหินเดินผ่าจักเขาอย่างรวดเร็วกลับเข้าไปในที่พักแล้วพีนยืนส่งด้วยสายตาจนกระทั่งร่างราชนิกูลสาวรับปากถ้ำเข้าไปแล้วซุดตัวนั่งบนก้อนหินที่เดิมอยู่คนเดียวเงียบๆหันหน้าไปยังแอ่งน้าที่มีเงาของพระจันทร์ทอดลงมาปรากฏ ฟังเสียงนกกาเเวกร้องปล่อยใจให้ตเติดไปกับสำเนียงของปักษาสวรรค์ซึ่งแวกไหว้ทานแสงจันทร์สูงริบจะเป็นด้วยประสาสัมผัสหรือยานสังหรณ์อันเคยชินอย่างใดไม่ทราบได้เขารู้สึกเหมือนกับว่ามีใครคนหนึ่งมายือนอยู่เบื้องหลังใกล้ๆพอหันกลับมาก็ชะงักล่างสูงทะมึนใหญ่โตของหนุ่มกระเรี่ยงผู้ลึกลับยือนอยู่ห่างเขาพิงหวาเดียวแง่าสรายผู้มีฝีเท้า เ, าเบายิ่งกว่าเสือย่อง ขณะนั้นเดือนแฝงเขากรีบเมฆใบหน้านั้นมืดสนิทเห็นแต่ฟันขาวที่แยกเขี้ยวยิ้มอยู่ฉันไม่ชอบการมาแบบผีของแกเลยแง่ทา ย, ายเขาพูดต่ำๆสำรวจดูร่างสูงใหญ่นั้นอย่างพินิดผมต้องขออภัยผมเดินเข้ามาโดยปกติเสียงห้าวกองวานตอบมาแต่ฉันสาบานว่าไม่ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของแกเลยนอกจากสังหรณ์เท่านั้น มีธุระอะไรหรือฉันเห็นแกนอนหลับไปแล้วผมนอนตามคําสั่งของนายหญิงแต่ไม่หลับนายหญิงกลับเข้าไปนอนแล้วผมออกมาเฝ้ายามแลับผิดหัวเราะหึ่ยยกมือขึ้นรูปปลายคางยามของแกหมดลงแล้วนะเพราะนายหญิงอยู่แทนให้เดี๋ยวนี้ถึงยามฉันจึงเป็นอันว่าแกไปนอนได้ฉันเฝ้าเองผมออกมาถามดูว่าผู้กองต้องการจะให้ผมอยู่ยามแทนหรือเปล่า ถึงฉันจะไม่ใจดีสำหรับแกเหมือนกับนายหญิงแต่ก็ขอให้รู้ไว้ด้วยว่าฉันไม่เอาเปรียบแกหรอกเขาพูดช้าๆมองสุปตาแงสายนิ่งเพราะฉะนั้นแกไม่ต้องลำบากอยู่ยามแทนฉันหนุ่มร่างยักษ์ไม่มีปฏิกิยาเช่นไรกับคำพูดของเขานอกจากแววตาที่สุขใสเป็นประกายอยู่ในแสงเดือนและรอยยิ้มที่สยายกว้างออกไปอีกขอให้ผมนั่งลงตรงนี้ด้วยจะได้ไหมครับ ตามใจแก่แง่าสายสุดตัวลงนั่งเอนหลังพิงโขดหินพรางแง่หน้าขึ้นไปดูดวงจันทร์อันเป็นที่มาของสำเนียงเจ๊แจ้วไพเร า, าแะและเงาเลื่อนลอยผ่านเป็นทิวเหล่านั้นนกฟ้ากำลังร้องเพลงเล่นแสงเดือนเสียงกลางวานแจ่มายดังออกมาจากล่างนั้นแล้วยังไงเขาพองออกมาอย่างหงุดหงิดแต่แง่าสายหัวเราะคนเห็นมันแต่งเงา คนได้ยินมันแต่เสียงไม่มีใครรู้แรงที่อยู่ไม่มีใครได้สัมผัสแม้แต่ขนหางแต่คงมีสักโอกาสหนึ่งที่วิหกฟ้าพระแดนสวรรค์ลงมาเกลือกเล่นทุลีดินวันนั้นย่อมเป็นวันปิติโสมนัตของพระสุทธาระพินจ้องหน้าหนุ่มชาวโดงผู้ลึกลับอย่างประหลาดใจแทบจะไม่เชื่อหูตนเองแกพูดเหมือนไม่ใช่แง่ทายเหมือนไม่ใช่กะเลียงเช่นที่ฉันเคยเข้าใจ แกเป็นใครเสียงหัวเราะห้าวห้าวดังตอบเขามาดวงตาใหญ่งามสุขใสเหมือนตาเด็กสว่างออกมาจากใบหน้าสีทองแดงผมบอกผู้กองตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าผมไม่ใช่แกเหลียงแท้นะักแต่ผมก็จะเป็นใครอื่นนอกจากแง่ทายคนรับใช้ผู้ซื่อสัตว์ของคณะเดินทางอย่างน้อยที่สุดก็ซื่อสัตว์ไม่น้อยไปกว่าผู้กองการเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ สายตาที่คมยิ่งกว่าเหยี่ยวของผู้กองเท่านั้นที่จะค้นได้ในอนาคตข้างหน้ากล่าวจบแง่าสายก็ลุกขึ้นยืนเต็มส่วนสัตว์อันสูงกำยำก้มศรีรษะโค้งคำนับให้แก่เขาแล้วก็หันหลังผ่าเดินจากไปในเงาสลัวของแสงจันทร์คลุมม่านหมอกพรานใหญ่จ้องตามหลังร่างนั้นไปจนรับตาอัดควันบุหรีลึกเข้าเจ้าชาวดงหนุ่มผู้นี้นับวันที่ใช้ชีวิตร่วมกันนานไป ท่าทีของหมอกลายเป็นปมปิิศนาที่เขาไม่สามารถตีแตกเพิ่มขึ้นทุกขณะแง่าสายผู้ซ่อนคมซ่อนความรีลับอันน่าพิศวงทุกชนิดไว้ภายใต้รอยยิ้มกว้างกว้างและแววตาแจ่มใสเหมือนทารกหมอกลงจัดขึ้นทุกขณะจนเปียกชื้นตามใบหน้าได้ฝ่ามือมองเห็นขาวมัวเป็นม่านควันไปรอบด้านบัดนี้สับสําเนียงของสัตว์ต่างๆเงียบสงบลงแล้ว นอกจากพวกมแมลงและกระแสวมที่ปะทะแง่หินสู่บุรีจนหมดตัวแล้วก็เดินกลับเข้ามาใต้เพิงหินคณะนายจ้างนอนรวมกลุ่มกันอยู่ท่ามกลางไฟผิงสามด้านเกิดแยกมานอนขวางอยู่ทางปากเข้าส่วนของแงซา ย, ายนอนขดอยู่ในเวิร์งลึกนั่นสดแสดงถึงไหวพริบในหน้าที่อารักขาความปลอดภัยให้แก่คณะเจ้านายโดยไม่จาเป็นจะต้องเตือนเพราะการนอนดักของแงาสายลักษณะนั้น ย่อมหมายความว่าภัยใดๆก็ตามที่อาจมีมาจากด้านในของโพรงถ้ำลึกย่อมถึงตนก่อนทุกคนดูเหมือนกำลังนอนหลับสนิทท่ามกลางไออุ่นของไฟผิงกลางบรรยากาศอันหนาวจับใจระพินเติมเชื้อฝืนเข้าไปในกองไฟทุกกองดูแลป้องกันไม่ให้ไฟกินรามเข้าไปทำอันตรายแก่คณะนายจ้างของเขาแล้วก็มาล้มตัวนอนข้างๆเกิดขวางปากทางหน้าทําไว้สัญชาตญาณของพรานผู้ชนานาญ ทำให้แน่ใจได้ว่าพิบัติภัยใดๆคงจะไม่เกิดขึ้นในคืนนี้แน่เพราะฉะนั้นการผัดเวรเฝ้ายามซึ่งเคยปฏิบัติกันโดยปกติแทบจะไม่มีความจำเป็นใดๆเลยและเขาก็ไม่ต้องการปลุกชัยยันหรือเชษถาขึ้นมานั่งยามไม่เสียเวลานอนของคนทั้งสอง